เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตของเราก็สงบมีโลอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปมาในที่นั้นๆมีใจสงบดีต่อไปจะอธิบายหรือเทศนาให้ฟัง ให้พิจารณาตามความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงให้เราพิจารณาถึงความไม่เที่ยงในตัวตนของเราเราเกิดมา ตั้งแต่ถือประสิทธิทธในคารมดาตั้งแต่เป็นน้ำใสๆจนเป็นก้อนเลือดก้อนเนื้อแล้วก็เป็นปัญจสาขาแขนสองขาสองศีรษะหนึ่งก็เลื่อยมา จนคลอดจากคันมารดาพ่อแม่เลี้ยงดูไว้ก็ใหญ่ขึ้นตามลำดับนี่คือความไม่เที่ยงขั้งแรกก็เป็นเด็กทารกอยู่ต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวต่อมาก็อายุยี่สิบสามสิบปี เรื่อยขึ้นมาจนถึงสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีตายนั่นแหละให้เวลาที่ตัวตนของเราไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้ามันเที่ยงอยู่มันก็ต้องไม่แก่ไม่เก็บไม่ตาย แต่นี้มันไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงก็คือมันมีตัวตนเองไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาตัวตนไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เราจะเอาไปด้วยทุกภพทุกชาติพออายุมากขึ้นมันก็ไปแล้วตายแล้วเกิดมาเท่าไหร่ตายเท่านั้น ที่ว่าไม่ตายไม่มีพอพูดถึงความตายจิตใจของเราก็ห่อหเหี่ยวสลดสังเวชถึงเราจะคิดอย่างไรไม่คิดอย่างไรมันก็เป็นของมันนงนันะเกิดมาก็แก่เก็บตายมันเกิดมดให้พี่หนาเข้าตัวเราคนอื่นเขาตายไปเราเห็นแต่คนอื่นตาย แต่เราไม่เห็นว่าตัวเราตายพบมันปิดบังไว้นิดเดียวเราไม่สามารถเห็นได้ว่าเราก็ต้องตายเหมือนกับคนอื่นนั้นนู้นกันพิญาย้อนเข้ามาที่ตัวเราตัวเราเอาไปอะไรไม่ได้เลยถ้าตายแล้วเขาก็เผาทิ้งหรือฝังไว้ท่านเองเนี้ก็สลายไป หาตัวตนที่แท้จริงไม่เห็นว่าจะเอาแขนเอาขาเอากระดูกเอามือเอาเท้าว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่เป็นมันเป็นตามธรรมชาติของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเป็นอย่างนี้เหมือนน้ำอยู่บนใบบัวพอต้องแสงพาอาทิตย์ก็เหือดแห้งหายไปท่านที่ว่าชีวิตของคนมันน้อย ร้อยปีเป็นประมาณแต่ว่าคนโดยมากไม่ถึงร้อยปีก็ตายแล้วไม่ถึงร้อยปีหรอกเจ็ดสิบแปดสิปีก็ให้มันได้เถอดโดยมากก็เจ็ดสิบแปดสิปีนี่ก็ไปไม่ไหวแล้วจะเดินจะเหินก็ลาบากแล้วนั่นนหะ ท่านิกื่อให้พิจนาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือน ก, นกันกับคนอื่นที่จะต้องเป็นไปเช่นนั้นเราจะเอาอะไรก็รีบเอาเราจะทำอะไรก็รีบทาอย่ามัวลีรอชักช้าอยู่ไม่ได้เพราะความตายเป็นของแน่นอนแต่เวลาตายไม่แน่นอนเช้าสายบ่ายเย็นเรากำหนดไม่ได้เลยว่าเราจะตายเวลาไหน ก่เราที่จะเป็นอย่างนั้นเราต้องทำความดีให้ได้เสียก่อนอย่างน้อยมีมากมีผลอะไรก็ยังดีมีฌานมีสมาธิไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยต้องพยายามสร้างสมคุณงามความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ถือสิ้นห้าให้มันคง ถ้าตายแล้วยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ถ้ามีศีลห้านะยังกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีศีลห้าก็ไปสัวบายภูมิก็ลําบากมากไม่รู้ว่าไหร่จะพน้นนานแสนนานให้เราพิจารณาเข้ามาอย่างนี้แหละพิจารณาเข้ามาที่ตัวของเรา ตัวของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นห น, น้าตามันไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวปัจจุบันก็เป็นคนมีอายุแล้วส่วนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนระหว่างวัยเป็นกันต่อไปมันก็แก่ก็เท่าเมื่อหมดเพราะนั้นท่านจึงให้รีบปฏิบัติธรรม บำเป็ญ น, นามความดีใส่ตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอาดูเข้าไปที่ตัวเราเนื้อหนังเอ็นกระดูกสมมุติโลกว่าเป็นตัวเราก็สมมุติไปอย่างนั้นว่าเป็นตัวตนของเราแต่บัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกว่า ตัวตนเรียกว่าเป็นของไม่เที่ยงตัวตนเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบัญญัติทับในกายลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นนัตตาบัญญัติทับลงไปในตัวตนที่เราสมมุติโลกว่านี่คนคนนั้นคนนี่ชายหญิง มีชื่ออย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมมติโลกถ้าไม่สมมติก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็สมมติโลกว่านี่คนนี้นายนี่นางนั้นอะไรต่างๆเหล่านี้แหละอันนี้มันสำคัญอยู่ท่านถึงให้พิจนนารณาความไม่เที่ยงพิจารณาไปเรื่อย เมื่อไม่เที่ยงก็ต้องมีตายเป็นธรรมดา ม, มีเก็บใครได้ป่วยและมีตายความตายเป็นของแน่นอนคนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีต้องตายแน่นอนแต่ว่ายังไม่ถึงวันเวลาเช่นนั้นขณะนี้เราได้โอกาสดีมาบำเพ็ญคุณงามความดีมาปฏิบัติธรรม หาความดีให้กับตนเองนี่แหละสิ่งที่เราจะได้ที่เราเกิดมาหนึ่งได้ทานสอในรักษาศีลสามได้ภาวนาได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละเราได้เราได้เพียงเท่านี้แหละได้ทานเราทานไว้เท่าไหร่นั่นแหละคือสมบัติของเราเราไม่ได้ทานไว้เราก็ไม่มีสมบัติไม่มีของตัวเราเลย เป็นสมบัติของโลกเราตายแล้วคนอื่นก็เอาไปลูกหลานก็เอาไปทรัพย์สินเงินทองร้อยล้านพันล้านก็ตามมากมายปานใดก็ตามเอาไปด้วยไม่ได้เลยเอาไปด้วยไม่ได้ทำบุญทำอุสวด้วยเท่าไหรนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้เราเอาไปได้มีเท่านั้น เราให้ทานไว้เท่าไหร่นั่นแหละเราได้แต่เราไม่ได้ให้ทานเราก็ไม่ได้ไม่ได้สมบัติของโลกนี่ไปแต่ถ้าเราให้ทานไว้เราได้สมบัติของโลกนี้ไปด้วยเอาไปด้วยเอาไปสวรรค์เอาไปภมโลกด้วยมันเป็นอย่างนี้ให้พิจารณาให้ดี รักษาศีลก็เป็นเหตุให้ได้ความสุขสีเลนโะโพ็สัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสไสเยนนั่นแหละสีเลสีเลนะสุขติงยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงสุขติสีเลนะโพ็สัมปทาคนมีศีลก็มีโพค่าสมบัติมาก ศีล น, นั้นนิพูติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงซึ่งมรรคทีผ่านนั่นให้เราพิจารณาดูคนจะตายถ้ารับศีลแล้วเนี่ตายไปก็ไปตกนรกไปในโลกหน้าที่เรียกว่าสุขคติภูมิได้ให้ถึงสวรรค์ได้นั่นแหละแต่รักษาศีลถ้าภาวนามีมากมีผล ยิ่งประเสริฐเลิศล่นกว่านั้นอีกนั่นแหละเราจะมีมากขผได้มันต้องพิจารณาเรียกว่าวิปัสนาพินาราตัวตนของเรานี่แหละพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นขันเป็นอริยตนณะตาหูสมูกลิ้นกายใจ อืมอันนี้ก็ไม่เป็นของเราตาก็ไม่เป็นของเราหูก็ไม่เป็นของเราจมูกก็ไม่เป็นของเราลิ้นก็ไม่เป็นของเราอืมตาหูจมูกลิ้นกายกายส่วนนี้ก็ไปเป็นของเราอืมนี่แหละเราต้องทิ้งมันไปแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณา ที่นาให้มันได้ผลประโยชน์แก่เราหัดที่ณาแยกกายออกจากกันเอาผมบ อ, อกเอาขนออกเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออก เอาเครื่องในตับไตไส้พุงออกตัวตนเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผมอยู่ตรงขนอยู่ตรงเล็บต้งเนื้อตรงหนังเหรอหรืออยู่ตรงกระดูกให้พิจารณาเข้าไปตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนตัวเราตัวเราจริงๆมันอยู่ตรงไหนเราพิจารณาไปแล้วมันก็ไม่เห็น ตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้เลยมันไม่มีเราอาศัยโลกเขาอยู่เราอาศัยกายนี้นะ่ะทำดีเลยทำชั่วอาศัยกายนี้ทำดีอาศัยกายนี้ทำชั่วเรามาอาศัยมัน มาใส่กายนี่ดูเข้าไปตรงไหนใอกายนี้ที่มันเที่ยงแท้แน่นอนที่มันเป็นตัวเป็นตนตที่จริงมันมีไหมอันนี้เราสมมุติเรียกตามโลกเขาอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนอันนี้เป็นวัวเป็นควายอันนี้เป็นเป็ดเป็นไก่ เราสมมติเรียกอันนี้เป็นงูอันนี้เป็นปูอันนี้เป็นปลาเราสมมติเรียกมันแต่มันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแม้แต่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้าจะให้พิจารณาแยกแยะทอดทิ้งร่างกายนี้ให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้นะ่ะ มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มีตัวมีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้จะยึดถือตรงไหนล่ะตรงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อนกระดูกม้ามตาปอดเสีใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเราไปยึดเอาตรงไหนว่าเป็นตัวเราเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาเนื้อเอาหนังหรือเอาไม่ได้ เอกไปไม่ได้มันเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเราอยู่ไร่เจ็ดสิบแปดสิบปีนี่ถือว่าโชคดีแล้วนี่แหละให้พิจนาเข้าไปในตัวของเรานี่สูดเอาเนื้อหนังออกหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูก เอไปรวมกันไว้หลายๆโครงกระดูกจบไม่ได้เลยว่าเป็นโครงกระดูกของไข่เห็นโรงพยาบาลศิริราชอ่ะโอ้โหเขาเก็บไว้เยอะแยะเลยฉนัอ้อัตราอยู่กรุงเทพนะพอภาวนาจิตสงบแล้วอัตราก็อยากไปดูเรื่อยไปดูไปดูคนที่เขา เขาทำอะไรไว้หรอเขาแช่น้ำไว้เขาดองไว้ว่างันเถอะนะเขาดองไว้เขายังไม่ได้เอาไปตัดแต่งเลือกไปผ่าหาสอนวิธีพยาบาลวิธีรักษาให้เก็บหมอเขาเอาเก็บไว้เต็มไปเลยอย่างเนื้อคนนี่คนบางคนเขาเอามาผ่าออกดูให้พวกเรียนหมอไปเรียน เส้นอย่างนี้เส้นอย่างนั้นเขารู้หมดเลยอันนี้แหละมันไม่ใช่ของเราเรายึดถือว่าเป็นตัวตนของเรา่านในก็ตามมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่นั่นเองมีแต่มันเปื่อยเน่าผูพังไปในที่สุดหมดทุกคน เราจะอะไรเป็นตัวตนของเราก็ไม่ได้อัตมาจึงว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดไวนะ้น่ะมันถูกแล้วให้รีบให้ทานให้รีบรักษาศีลให้รีบภาวนาอย่าลีรออย่าให้มันปีนั้นก่อนปีนี้ก่อนเราไม่รู้จะถือปีไหนเราจะมียุอายุไปเท่าไหร่เราไม่สามารถกาหนดได้เลย เราต้องรีบทำความดีให้ทันกับการเวลาอย่าชักช้ามัวเมาอยู่ต้องรีบเร่งปฏิบัติทรรีบเร่งให้ทานรีบเร่งรักษาศีลเราต้องทำให้เร็วที่สุดอย่าลีรออยู่พอวันนั้นค่อยทาวันนี้ค่อยทำรอไปรอไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราล้มหายตายไปในขณะนั้นแล้ว ก็ถือว่าเราไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเราเกิดมาเนี่ยเพราะเราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีไว้เลยเราต้องทําไว้ตั้งแต่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่นี่เรารีบสร้างความงามความดีให้มากที่สุดอเงินทองเข้าของที่เราทําบุญทํากุศลไว้แหละนั่นแหละคือของเราเราได้อันนั้นแหละไปด้วย เนื้อนังมังสาของเราเนี่เราเอาไปด้วยไม่ได้หรอกเราอยากคิดว่าเราจะเอาไปได้เราต้องรีบต้องทาต้องเร่งต้องปฏิบัติให้เข้มแข็งอดทนเอาให้มันเกิดมันมีขึ้นให้มันมีมากมีผลเกิดขึ้นในตัวของเราเราอย่าลีรออยู่ถ้าเราลีรรออยู่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปได้แค่ไหน จะมีชีวิตอยู่กี่ปีกี่เดือนกี่วันเราก็หลุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงทำให้รีบทำความดีให้ได้ให้รีบเร่งทำความดีให้ทันกับการเวลาเราอย่ามวาัวรออยู่ถ้ายังรอเวลานั้นก่อนค่อยทำเวลานี้ก่อนค่อยทำความตายไม่ได้บอกเรานะว่าเวลานั้นคุณจะตายเวลานี้คุณจะอยู่อะไรเงี้ยไม่บอกเราหรอก ตายก็ไม่ใช่ว่านอนแล้วตายนั่งตายก็มียืนตายก็มีอันละ่ะอยู่ในทะเลมหาสมุทรเราจะพ้นจากความตายก็ไม่มีเหมือนกันพ้นไม่ได้อยู่ในรรมในภูเขา ว, ว่าเราจะพ้นจากความตายมันก็พ้นไม่ได้เราจะอยู่กลางหาวกลางอากาศเราก็าหนดไม่ได้ว่าเราจะตายเวลาไหนขนาดไหนนี่นี่แหละ เรามั่นใจได้อย่างเดียวถ้าเราได้ทาบุญำกุศลไว้ได้ให้ทานรักษาศีลอย์ภาวนาไ ว, าไว้อันนี้เราจะอยู่ที่ไหนตายที่ไหนก็ไม่ไม่สำคัญหรอกเพราะว่าเราได้แล้วเราได้ประโยชน์จากความมาเกิดเ ป, ป็นมนุษย์แล้วเราโชคดีแล้วเราปฏิบัติธรรมเป็นแล้วนี่แหละเราจะมั่นใจได้ว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นแล้ว ถ้าเราทาเป็นแล้วยังไงมันก็ต้องดีไม่ว่าได้ประโยชน์ของโลกนี้ไปด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเราก็มีความสุขได้เพราะเราได้ทาความดีเอาไว้แต่ผู้ที่ทาความชั่วเอาไว้รู้ว่าเป็นความชั่วก็ติ้กเสียอย่าทำอีก ตั้งใจรักษาศีลให้ดีตั้งใจทําความดีความงามให้มีขึ้นโอชานี้เราได้ทําชั่วทําผิดไม่มีใครหรอกจะกําหนดได้ว่าเราทําชั่วไว้เท่าไหร่เราปฏิบัติ ท, ทําแล้วความชั่วเหล่านั้นมันจะหมดไปมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเริ่มต้นตั้งสร้างความงามความดีใหม่ ก็ถือว่ า, าได้ประโยชน์เต็มที่เหมือนกันแต่ก่อนเราไม่มีศีลปัจจุบันเรารักษาศีลแหละเราตั้งใจรักษาศีลแล้วอันนี้ก็ศีลเรามีตลอดไปแหละแบบ น, นี้แต่ก่อนเราอาจจะทําไม่ดีไม่งามตามเรื่องตามราวอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามเถอะอันนั้นเรายังประมาทอยู่แต่ตอนนี้เราไม่ประมาทแล้วเรารักษาศีลแล้ว ศีลเรามีในใจของเราแล้วเราไม่ทําชั่วยอย่างนั้นอีกก็เป็นศีลตลอดไปเป็นศีลของเราเราก็ไปสู่สุขคติได้เพราะศีลฮัลสิเลนั้นสุขคติงันตีเราได้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เพราะศีลเพราะเรามีศีลถ้าเราไม่มีศีลเราก็ เศร้าหมองจิตใจของเราเศร้าหมองจิตใจของเราตกต่ำจิตใจของเราไม่สูงส่งเพราะเราไม่มีศีลแต่ถ้าเรามีศีลแล้ววันนี้เรามีศีลแล้วตอนนี้จิตใจของเราก็สูงส่งแล้วไม่ตกต่ำแล้วเราถือเอาประโยชน์ที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ได้คือว่าเราโชคดี โชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ทำความดีเอาไว้นี่แหละมันสำคัญอยู่ตรงนี้แหละสำคัญตรงที่มาถือเอาประโยชน์ในโลกนี้ได้นี่แหละไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามให้ทานรักษาสิ่งบำเป็นภาวนาพระพุทธเจ้าเขาชี้แนะไว้แล้ ว, ว, ลวบอกทางไว้แล้วเราปฏิบัติตามก็ได้ผลคุ้มค่าเกี่ยกการที่เรามาเสียเวลา นี่เราได้ประโยชน์จากโลกนี้แล้วเราอย่าทิ้งให้เราทําติดต่อกันไปทําไปเรื่อยทําอย่าหยุดหมายว่าเราตั้งใจทำอยู่เรื่อยเช่นกําหนดสติก็กําหนดเรื่อยๆไม่มีใครมารู้มาเห็นเรากําหนดยังไงหรอกเรากำหนดดูลมหายใจของเราเราก็จะเห็นเห็นความรู้สึกของเราว่าโอ้มันอยู่ มันไม่อยู่มันฟุกงสั้นอะไรเราจะรู้หมดเราก็แก้ไขตัวของเราเองให้ดีอย่างนี้แหละเรียกว่าเรามาถือประโยชน์ของโลกคือเอาประโยชน์ของโลกไปด้วยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทำอะไรอยู่เราก็มีสติอยู่ตลอดนี่เรียว่าเราเอาประโยชน์ได้เอาประโยชน์ในโลกนี้ได้ มันน่าอาจารย์จิงนะกิจของคนเรานี่ทำตามคามสมควรทุจริตเราสามารถมีสมาธิมีบ้างมีผลนี่ไม่ใช่ธรรมดามันต้องได้สั่งสมคุณงามความดีมาแต่อดีตเหมือนกันในชาติก่อนเราอาจจะทําความดีไว้อย่างมากเราทําความดีไว้มากมาชาตินี้ปัจจุบันนี้เรามาเกิดเราก็มีบุญมีกุศล ที่มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมมาทําความดีมหัดทำความดีมมดเราก็ทําได้ทำเป็นสามารถรวมจิตที่ไม่สงบให้เป็นจิตที่สงบไม่รู้แจ้งในตัวตนของเราในความเป็นไปของชีวิตเราก็มารู้มาได้ยินมาได้ยินอธิบายเรื่องตัวตนของเรามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้เราก็รู้ทันทีโอตัวตนของเราส่วนนี้ ไม่เที่ยงแล้วนอนขาเราก็ไม่เที่ยงแขนเราก็ไม่เที่ยงนั่งนานๆก็เจ็บก็ปวดปวดตามแขนตามขาตามค้นตาอะไรนี่แหละมันปวดมากมันเจ็บมากเจ็บร้าย จ็บๆๆๆตรงหลังตรงไหลตรงนั่นตรงนี่มันมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ให้อดทนผ่านไปแล้วมันก็ดีแล้วไงจิตก็สงบใจก็สบายใจเย็นมีความสุขความเจริญ อยู่ในใจไม่วุ่นนี่วุ่นวายใจสงบเยือกเย็นเราก็ทำถูกมันก็เย็นนี่ทำถูกกาหนดลมถูกปับ๊บตอนนั้นมันก็เย็นใจวาบทันทีท่าะเราทำถูกที่นายเห็นใจรักลักษณะที่เสมอกัน ความไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ความเป็นมมนักตาเรียกว่าใจรักที่คล้องเสมอกันดุษฎามัญญลักษณะเรียกว่าของเสมอกันให้พยายามที่นาเข้ามาที่ตัวเราแยกส่วนของร่างกายออกจากกันนี่เราพิจารณาแบบเห็นสามัญญลักษณะ คือเห็นลักษณะที่เสมอกันหมดทุกคนก็คือเกิดแก่เก็บตายให้เที่ยงแท้แน่นอนนี่คือทา ง, องวิธีการที่ให้เข้าถึงมรรคผลที่ผ่า น, นที่นายอย่างนี้บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆไม่ประมาทไม่ว่าด้วยวิธีไหนยืนเดินนั่งนอนกิน ด, ดื่มทำบุทธคิดเราต้องมีสติรู้สึกว่าเรา กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกได้อย่างนี้กิตใจเราก็จะมีสมาธิมั่นคงมีสติมีปัญญามีความรอบรู้ในธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวของเราเรารู้เท่ารู้ทันเรากาหนดได้อย่างนี้ถึงแม้ตายในขณะนั้นก็ไม่ไปสู่ทุกขติต้องไปสู่สวรรค์นี่แหละเทศให้ฟังก็คือเทศ ให้รู้แต่ลักษณะนั่นแหละคือลักษณะสามัญลักษณะแหละลักษณะที่เสมอกันหมดคือมีความเกิดด้วยกันมีความแก่ด้วยกันมีความเก็บด้วยกันมีความตายด้วยกันเกิดแก่ตายนั่นแหละลักษณะที่เสมอกันหมดเหมือนกันหมดทุกคนหล่าลีรออยู่ให้รีบเร่ง ทำความดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าถอยถ้าถอยเราก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ถอยเราก็มีโอกาสที่จะได้ดีขึ้นไปอีกสูงส่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่านี้อีกคอยตั้งใจใปฏิบัติอย่าประมาทในวัยและชีวิตว่าเราเกิดมาแล้วจะไม่เกดไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้าตัดคำไหนก็เป็นคำนั้นตัดสิ่งที่ดีไว้ให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจได้ปฏิบัติตามพ้นทุกตามที่พรองค์ทรงสอนไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เป็นสุปฏิปโนอยู่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุข เราอยู่วัดเราก็มีความสุขเราอยู่ที่ไหนก็มีความสุขอถ้าเราทําถูกแล้วมันเป็นความสุขเกิดขึ้นถ้าทําไม่ถูกมันก็ยิ่งวุ่นวายสับสนอยู่ในบ้านก็บ้านลุกเป็นไฟราขักขีไฟคือราคะโทสักขีไฟคือโทสะโมหขิไฟคือโมหะ เผาลนกิจใจของคนอยู่ตลอดเวลาร า, าคคีก็คือราคะตัญหามันฝังอยู่ในหัวใจของเรามันอยู่ที่ใจของเราร า, าคัคีไฟคือลาคานมันไหม้หัวใจของเราอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนทําอะไรอยู่มันไหม้หัวใจเราอให้เราร่อนใ้เป็นความยุ่งยากสับสนวุ่นวาย เรียก ว, ว่าหลาคักขีชนโทสักขีไฟคือโธสัทธ์ไฟอันนี้ก็คือคมโกรธเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเผาหลนจิตใจของเรากิเลสตัวนี้ก็เผาหลนจิตใจของเราให้เราร้อนให้เดือดร้อนให้มีความทุกข์มีความกังวลมากมีความเปลี่ยนไปด้วยอาการต่างๆนั่นแหละ ท่านจึงให้พิจารณาให้มันดีให้เหตุโทษของความโกรธความโกรธเป็นไฟชนิดหนึ่งไฟไม่มีควันไม่มีขมเอวไม่มีกี้เท่าไฟ น, นี้ไหม้ใจไม่ได้ไหม้กายไหม้ใจของเราเราต้องกำจัดไฟ น, นี้ออกจากใจของเราไฟคือโทษสาดนี่อย่าให้มีในใจของเรา ไฟคือโมหะก็เหมือนกันอย่าให้มีในใจของเราโมหะคือความรุ่มหลงไม่รู้บา ป, ปุ่นวุ่นโทษไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เบื้องต้นเบื้องปลายของชีวิตไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่โมหะนี่ปิดบังไว้แล้วก็โมหะขี้ไฟคือโมหะมันไม่ใจของเราอยู่กันแหละให้เราตกตำอยู่ตลอดชาตินี้เราเป็นคนชาติหน้าไม่รู้จะเป็นคนหรือเปล่าจะเป็นอะไรไปอีกก็ยังไม่รู้ นี่แหละท่านต้องให้พิจารณาให้เห็นความจริงไฟคือโมหะกระเผาลนกิจใจของเราให้เศร้าหมองโลกต่าอยู่ตลอดเราต้องแก้ไขโดยการปฏิบัติธรรมให้มีสติ ป, ปัญญารู้เห็นแจ้งชัดในอัตตาตัวตนนี้ว่าเป็นน้าตาว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราคอยดูคอยรู้อย่างนี้แหละคอยเฝ้าดูมัน ความอะไรมันเกิดขึ้นเราก็ให้รู้ความรักความไข่เกิดขึ้นเราก็รู้ความโกรธความเรียดเกิดขึ้นเราก็รู้ความเป็นความตายต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราเราก็รู้เรียกว่าโมหะคือเผาลนจิตใจของเราเราก็รู้ว่ามันเผากิจใจของเราเราอย่าให้มันเกิดจะให้มันมีราคะก็อย่าให้มันมีโทสะก็อย่าให้มันมี โมหะก็อย่าให้มันมีอย่าให้มันมีในใจของเราให้คอยรู้คอยเห็นอย่างนั้นแลหละคอยดูอย่างนั้นแหละเราหนดลมหายใจเขาออกราคาก็เกิดไม่ได้โทกะเกิดไม่ได้โมหะเกิไม่ได้ถ้าเราหยุดเราไม่ทำมันก็เป็นใหญ่ในกายในใจของเรานี่แหละ มันเปียใหญ่ในนี่มันเบียดเบียนใจของเราเบียดเบียนใจของเราให้ตตต่ำให้สูงขึ้นมันเหยียบย่าเราได้มากเท่าไหร่นั่นแหละมันเป็นความพอใจของมันนั่นแหละเราต้องพยายามต้องหัดปฏิบัติธรรมนะให้มันเป็นให้มันได้ ถ้าปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติธรรมได้มันก็สบายใจแล้วเราก็สบายใจเราอยู่ที่ไหนเราก็สบายใจเพราะเราทำถูกทำเป็นเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยมันนี่แหละไปสู่สุคติในขณะที่หลังจากตายไปแล้วถ้ายัางไม่ตายก็มีความสุขมันให้ผลตั้งแต่เราปฏิบัตินี่แหละไป ก็มีความสุขไปเรื่อยๆสุขติดต่อกันไปไม่ขาดสายมีความสุขในความเป็นมนุษย์ทำอะไรอยู่ก็มีความสุขถ้าปฏิบัติธรรมเป็นแล้วทำอะไรอยู่ก็มีความสุขนั่งอยู่ก็มีความสุขนอนอยู่ก็มีความสุขเดินอยู่ก็มีความสุขตายไปแล้วก็มีความสุขอีกสุขที่ไหนสุขในสวรรค์นั่นมันมีความสุขเกิดขึ้นในใจของเรา แต่ความเล่าร้อนทั้งหลายเราสละได้เราออกได้จากใจเราหมดไม่เหลือเลยราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีไม่มีอะไรจะเผาใจเราได้ราคะก็เผาใจเราไม่ได้โทสะก็เผาใจเราไม่ได้โมหะก็เผาใจเราไม่ได้มันทำอันตรายอะไรแก่ใจของเราไม่ได้เลยเพราะเราได้บรรูุมรรคผลธรรมพิเศษในพุทธศาสนาถ้าเราได้เป็นโซดาบันนี่เลย ราคาโทสะมัหามันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่รุนแรงถ้าได้คุณธรรมสูงขึ้นมายิ่งละเอียดขึ้นไปอีกราค่าก็เบาลงโทสะก็เบาลงมัวหาก็เบาลงถ้าได้สูงขึ้นผพ่มนันอีกไม่ต้องกลับลงมาเกิดมนุษย์เลยอยู่พร ม, มโลกเลย เราก็มีความสุขอยูน่ในภพมโลกถ้าเราปฏิบัติเด็ดขาดสู้ไม่ถอยเราก็ไม่ต้องไปเกิดในพวูมิไหนอีกภูมิไหนก็ไม่ไปเกิดภพไห น, นก็ไม่ไเกิดไปพระนี้ผ่านอย่างเดียวชุดพพุทธศาสนาสุดเตียงเท่านี้สุดทีพอดีผ่านกิเลสดับสนิท ไม่มีอะไรฟูสั้นขึ้นมาได้อีกเลยเราก็จะเห็นความสุขนี้อย่างดีที่สุดเราเห็นอย่างดีที่สุดเราเห็นความสุขอย่างดีที่เกิดขึ้นในใจของเรานี่แหละทางใจปฏิบัติไปให้คิดว่าการปฏิบัติรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเราคนอื่นทำแทนเราไม่ได้ ผัวทำแทนเมียก็ไม่ได้เมียทำแทนผัวก็ไม่ได้ทำไม่ได้ใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้ใครไม่ปฏิบัติคนนั้นก็ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันครอบครัวผัวเมียก็ตามถ้าเมียไปหัดภาวนาจิตสงบผัวไม่หดัดผัวก็ไม่รู้เรื่องจิตก็ไม่สงบ ต้ให้มาปฏิบัติทั้งผัวทั้งเมียครอบครัวเย็นสบายเลยเมียก็ให้มาปฏิบัติผัวก็ให้มาปฏิบัติโอ้ดันสบายต่างคนต่างเข้าใจวิธีต่างคนต่างก็อยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวไม่ใช่จัดระบบใหม่ในครอบครัวนะหมายควา ม, นะ ม, า ค, วามคือมันอัตโนมัติน่ะพอถึงเวลานั่งสมาธิแล้วมันอยากนั่งนั่งจิตก็สงบ สบายเป็นสุขอย่างนั้นแหละให้ตั้งใจปฏิบัติมันจะยากกว่านี้นก็ตามอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันยากด้วให้คิดดูสินั่งอย่างเดียวเดินอย่างออกไปเดินบ้างนั่งบ้างสลับกันไปอู้แต่เราก็เห็นความทุกข์นะเห็นความทุกข์ชัดเจนเลยวเรานั่งเจ็บ เก็บขาดี่เก็บหลายเก็บมากมเหมือนมันจะขาดขออกจากกันนั่นแหละเราอดทนสู้มันเราไม่ถอยเพราะเราไม่ถอยมัน ก, มนก็มันก็ถอยมันสู้เราไม่ได้เหมือนมันอยู่ที่กําลังใจของเรากําลังใจเราเข้มแข็งก็สามารถชําระความห ง, งุดหงิดเขาชำระความเก็บคมปวัวอะไรต่างๆหายไปหมดจิตสงบนิ่งแน่วเป็นหนึ่ง นั่งจีบชั่วโมงก็ดังได้ไปนั่งนานขนาด น, นี้ก็ได้แต่ถ้าให้อย่างนั้นก็ด้วยสามสิบนาทีมันก็อยากหนีแล้วไม่อยู่แล้วสามสิบสี่สิบนาทีนี่มันเหนื่อยมากที่จริงเราทําอะไรภายในเวลายี่สิบสามนาทีนี่ถ้าไปนั่งสมาธินี่เราทําไปได้ไม่เป็นไรแต่พอนั่งสมาธิมันโอ้โหมัน สามสิบสี่สิบนาทีเนี่ยทำไมมันนานเหลือเกินฟังว่ามันสีส่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเก็บเล้าไปหมดตามตัวตามตัวนี่ปวดไปหมดนี่เราต้องอดทนเนี่ยพอเราอดทนต่อสู้ก็ได้ ช, ชนะถ้าเราอดทนต่อสู้ได้ชัยชนะเลยจิตใจของเราเนี่สงบนิ่งเป็นหนึ่งเลยมีอารมณ์เดียวเลยวางลงไปเลย มายึดถือสิ่งไหนไว้ในใจเลยปล่อยให้มันลงไปเลยบ่ไหนจิดก็สงบลงไปลึกซึ้งลงไปแน่วแน่ลงไปมีอารมณ์เดียวเน็ดเดียวไม่ท้อไม่ถอ ย, ไ ม, ถอยไม่หมดกําลังใจต่อสู้อย่างเต็มที่จิตแล้วก็สงบนั่งอยู่ก็สงบนอนอยู่ก็สงบทําอะไรอยู่ก็สงบเราจะเห็นความสงบของใจของเราตลอดนี่ ถ้าเราฝึกหัดเด็ดเดี่ยวไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปคิดคิดว่าตายเป็นตายอย่างเป็นอย่างสู้ละคราวนี้เพราะว่าทำแทนกันไม่ได้ลูกทำแทนพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ทำแทนลูกไม่ได้ผัวทำแทนเมียไม่ได้เมียทำแทนผัวก็ไม่ได้ต่างคนต่างทำเอาต่างคนต่างทำเอาใครอยากได้ก็ทาเอาใครไม่อยากได้กันแล้วไป ชวนยูถ้าชวนมาปฏิบัติไม่อยากมาแต่ชวนไปลงเล่าเอาดีนักนะ่วนชวนไปชมนรมเล่ากันนี่โอ้สบายแต่ว่า ช, ว, ชวนมาปฏิบัติทําโอ้ยไม่ไปหรอกไม่ไปหรอกไม่อยากไปอย่างงี้นี่คือคือมองไม่เห็นมองไม่เห็นความดี ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มากมายแปดหมื่นสี่พันวัฏธรรมขันมันรวมลงที่มากคแปดเองถ้าปฏิบัติตามมากคแปดแล้วก็ถึงความสุขความเจริญถึงความสุขความเจริญจิตใจเราล่ะถึงความสุขความเจริญไม่ใช่อันอื่นถึงความสุขความเจริญจิตใจของเราถึงความสุขความเจริญมันเป็นอย่างนี้มากคแปดเนี่ย สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเหละชอบเห็นเราเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของมีอยู่ประจําอยู่ทุกคนนะัสัมมาสังกัปปะความนํารีชอบคือคิดออกจากกรรมคิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นแม้แต่ตัวเองนี่นะ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากิรจาชอบพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่พูดโกหกหลอกลวงนั่นสัมมากรรมันตการงานชอบทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เรากรรมันตการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบ หากินในทางที่ถูกที่ควรสำ ม, มาวายามะเพียนพยายามชอบนี่เราทำอยู่นี่เียว่เพียนพยายามชอบเลยสำ ม, มาสติตั้งสติชอบคือสติประทานสี่า็ตัวตนของเรานี่เองกายเวทนาจิตธรรมในตัวตนของเรานี้หมดสำ ม, มาสมาธิแนี้ สัมาราสมาธิก็คือความเป็นสมาธินั่นเองนี่แหละถ้าให้พิจารณาเข้ามาถึงจุดนี้ถ้าเราดำเนินชีวิตตามมักแปดรายละเอียดมันมีอยู่ในในหนังสือพุทธศาสตร์ก็สามารถเอาไปอ่านได้ เราจะเข้าใจว่ า, าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสัมมาสังกปะเป็นยังไงสัมมาวาจาเป็นยังไงสัมมาอาชีวะเป็นยังไงสัมมากรรมตะเป็นอย่างไรสัมมาวายามะเป็นอย่างไรสัมมามสติเป็นอย่างไรสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือพุทธศาสตร์ที่สั่งพิมพ์ ม, มานั่นเองท่านน่ะ สามารถรู้ได้แล้วให้ดําเนินตามให้ปฏิบัติตามตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ยให้ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามเราก็มีความสุนะขแหละครอบครัวก็มีความสุขนะถ้าเอาหลักธรรมารนี้มาใช้ในชีวิตของเราเราก็สามารถที่จะรู้เห็นในสิ่งที่เป็นประโยชน์แกเราเท่านั้นเนี่ยเราต้อง หาทางพน้นจากทุกข์ให้ได้มันไม่พน้นเราก็พยายามทำทำให้เกิดให้มีขึ้นมาให้ใหได้อย่าตอยโอกาสที่จะได้มาปฏิบัติอย่างนี้นั่นไม่ใช่หาได้ทุกวันนะยาวมากถ้าไม่พร้อมจริงๆก็มาไม่ได้เมื่อจะมาผัวก็ต้องพร้อมเห็นด้วย ถ้าเห็นด้วยก็ไมาให้มาอมืเราก็ไม่ได้มาเพราะเราจะมาลูกเต้าก็มีปัญหานั้นนี่ขึ้นมาเราก็มาไม่ได้หรือมไม่ตรงกับวันลาวันอะไรอ้าวไปกันใหญ่หรือแบ น, นี้เวลานั้นเวลานี้ต้องทํางานนั้นนี่กว่าจะมีเวลามาได้ไม่ใช่ธรรมาดากว่าจะมีเวลามาได้ถ้ามาแล้วก็ให้ตั้งใจตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทําความภาคความเพียร ตั้งใจทำความดีตามอริยมรรคผยองแปดตั้งใจทาความดีให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งนําไปเพื่อขอมพลทุกหรือพูดอีกอย่างนึ่งว่าให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้กระทำไปเรื่อยๆนิยานีนกระทำทำเป็นเครื่องนําออกจากทุก คือคำสอนของพุทธิย่าทั้งหมดนะ่ะเป็นนิยานิการทาเป็นธรรมที่นําออกจากทุกเราปฏิบัติตามคําสอนอพุทธิย่านะั่นเราออกจากกองทุกได้ในครอบครัวผัวเมียถ้าถ้ายัางยุ่งยากอยู่ให้ลองเอาธรรมะไปปฏิบัติในครอบครัวดูที่นั่นก็มีเดินท่านใยเชนอกที่พิ ม, มานะหรืออยากอ่านพระธรรมวินัยที่สูงขึ้นหรือพุทธวจนะหรือพุทธ พศหรือพุทธโอษก็มีไว้ให้สามารถเราไปอ่านได้นี่อ่านแล้วเรารู้เราอ็เดือดตามนั้นเราก็จะมีความสุขกายสุขใจขึ้นมาได้นี่ถ้าเราทำตามคำสอนพระพุทธเจ้านะที่มีนักป่าบันดิตท่านมาอธิบายไว้ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจ น, นเช่นหนังสือลวงพว่าหรือพุท ธ, ธาาสเนี่ยขคัดเอาแต่เนื้อธรรมส่วนที่เป็นอริยสัจ ส, สี มาแสดงไว้มาเทศไว้เป็นเล่มใหญ่เลยท่านเทศไว้หลายเรื่องเราก็สามารถบูชาไปอ่านได้ไม่ไม่มากไม่แพงนี่แหละคือจะถ้าจะเทศมันกว่าจะหมดทุกขั้นทุกตอนนี่มันโอยวันเดียวไม่พอหรอกอาทิตย์หนึ่งก็ไม่พอมันไม่หมดคำสองพรุทธเจ้านั่นแต่เมื่อรวมลงแล้วก็คือละความ ละความชั่วประพฤติความดีทํากินให้พองใส่เท่านี้เองหรือพูดอย่า ง, งเงอามากแปดนั่นเองมากแปดก็คืออธิบายมาแล้วนั่นแหละนั่นหละให้ตั้งใจปฏิบัติตามเอาธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตของเราเราจะมีความสุขมากถ้าครอบครัวไหนมีธรรมะนี่ก็จะไม่มีความสุขเลยต่างคนต่างก็พฤ่งไปตามชอบใจของตน ถ้าเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขรอบเย็นสบายใจหายความเป็นทุกข์เพลิงกังวลได้เพราะคนทุกคนมีธรรมะอยู่ในใจแล้วแล้วทุกคนก็ได้ปฏิบัติ ด, ดีแล้วตั้งใจปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วจึงถือว่าเป็นผู้ที่ทำความดีไว้ให้กับตนเราไม่ให้เสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปเราทำพยายามทำสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นในตัวของเรา เราถอยไม่ได้เกิดมาชาตินี้เราโชคดีแล้วเราตั้งใจปฏิบัติมีเพื่อนชักชวนเพื่อนมาปฏิบัติมีพ่อมีแม่ก็ชักชวนพ่อแม่มาปฏิบัติอย่างเนี้ยเราจะได้ประโยชน์มากได้บุญมากถ้าปฏิบัติแล้วจิตมันเป็นยังไงมันก็สงบจิตมันสงบจิตมันสบายจิตมันมีมากมีผลอันนี้ใครเป็นยังไงได้คุณธรรมชาติท่าไหนอะไรอย่างงี้เป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตนเลยพออธิบายปุ๊บมันเข้าใจปั๊บสันทีมันว่าง วางความยึดความถือได้ทันทีอวางความยึดความถือวางความสําคัญนั่นหมายได้อวางได้จิตใจของเราถ้ามีอาจมีทําอยู่ภายในแล้วมันวางได้จริงวางความยึดความถือได้จริงๆริงมรรคผลยังไม่พ้นสมัยต่อะไรที่มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคําสอนคือมรรคแปดนี้อยู่มีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอารหันต์เลยนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได ปริญนิาพานแล้วไม่ได้เอาไปด้วยยังฝากไว้กับพุทธบริษัททั้งหลายยังฝากไว้กับภิกษุฝากไว้กับภิกษุณีฝากไว้กับอุบาสกอุบาสิกาให้รักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตามนั้นแหละธรรมะแปดพันสีพระธรรมขันยังสมบูรณ์ดีอยู่ยังมีอยู่ยังดีอยู่ยังสมบูรณ์อยู่ไม่บกพร่องเลย เราก็ปฏิบัติตาควคําสัตองพระพุทธเจ้านั่นแหละเราจะเห็นความสุขความจเจริญเกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราทําอะไรอยู่ก็ตามเราจะมีความสุขเพราะเรามีธรรมะในใจนี่ยิ่งเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงแต่มรรู้มากผลยิ่งประเสริฐขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกยิกดีขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกสบายใจขึ้นไปอีกนอนอยู่ก็สบายใจนั่งอยู่ก็สบายใจ เดินอยู่ก็สบายใจทำอะไรอยู่ก็สบายใจทําให้สบายเพราะว่าจิตมันถึงธรรมเนี่ยจิตมันบ่รู้มากผนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจิตใจมันสบายมันไม่มีความวุ่นวายมันไม่มีความทุกข์มันมีความกังวลจิตใจถึงความสุขความเจริญมีมากมีฝนขึ้นมานานแต่ถ้ามีมากไม่ีฝนแล้วมันก็ชุ่มเย็นภายในฝนไม่ตกแต่มันก็เย็นเย็นอยู่ในใจหนอเย็นซึ้งตลอดเวลา พอเรากนวดปั๊บเรากนดลมหายใจปั๊บกีเราก็เย็นสบายลงไปเลยนั่นมันเข้าถึงแล้วนะ่นถ้าเราพอกระทบเหตุการณ์รุนนะน้รุ่นายแล้วนี่เราไม่ใส่ใจกับความวุ่นวายนะั้นเราเข้าใส่ใจกับธรรมะเราเข้าปตัตติสมาธิาธทันทีเลยสติระ ล, ลึกถึงลมหายใจเข้าออกสมาธิก็ตัง้งเที่ยงตั้งมันขึ้นมาเลยความวุ่นวายหรือความสับสนความมีปัญหาต่างๆก็ดับไปมันไม่อยู่ได้เลย มันสบายไปเลยมันดีไปเลยเป็นงั้นนี่แหละให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าถอยให้รู้เท่าทันความเป็นไปของชีวิตให้เป็นรู้ว่าอันนี้จังความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรตัวเราไม่เที่ยงเป็นอย่างไรทุกขังความเป็นทุกข์เป็นยังไงอน้าตาความไม่มีตัวตวนที่แท้จริงเป็นยังไง หาได้ในตัวของเราเนี่แหละความไม่เที่ยงเขอยู่ที่นี่ความเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้กับที่นี่ความเป็นร่างตาก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละกายของเราก็ไม่เที่ยงใจเราก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเอาธรรมะเข้ามาใช้เอาธรรมะมาปฏิบัติเราก็จะสามารถรู้เห็น ความที่จิตของเราพ้นจากกองทุกข์ขึ้นมาได้ในใจของเราเองเราปฏิบัติแล้วนี่ไม่ต้องใค ร, ใครมาบอกเราถ้าสงบมันก็รู้ว่าเราสงบเนี่ยเรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพเจ้าเราก็รู้ว่าโอ้เราเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมของพระเจ้ามันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาแล้วเราไม่ทิ้งโอกาสไปเปล่า ตั้งใจปฏิบัติสมความที่เกิดมาเป็นคนเป็นคนนี่เป็นผู้โชคดีนะส่วนเป็นสนรารเดลสารเนี่อาภัพพระสัตว์อาภัพพระสัตวคืออาภัพไม่สามารถบรรลุมากผลได้แม้แต่พญานาคก็ไม่สามารถบรรลุมากผลได้แปลงตัวเป็นมนุษย์มาก็ฟังธรรมก็ไม่บรรลุมากผลได้นั่นเราไม่ฆ่าบีดาเราไม่ฆ่ามารดา เราปฏิบัติธรรมเราก็บรรลุมากผลได้เราไม่ได้ฆ่าพระละหันไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่โปรยนอเราก็ไม่บรรลุมากผลถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นว่าเราฆ่าบีดาเราฆ่ามารดาอันนี้ปฏิบัติธรรมไม่ขึ้นไม่บรรลุมากผลแต่ถ้าเราไม่ฆ่าบีดาไม่ฆ่ามารดาไม่ฆ่าพระละหันไม่ทำร้ายพระพุทธเจ้าไม่ยั่งยงให้แตกจากกัน อันนี้เราต้องได้บรรลุว่าผลแน่นอนเราต้องได้บรรลุว่าผลแน่นอนพราะเราไม่ได้ทําบาปหลักถึงขนาดนั้นบาปเล็กน้อยเราก็มาถือศีลแล้วพอเราตั้งใจรับศีลเนี่ยเราก็ตั้งใจงดเว้นแล้วไม่ทําสิ่งนี้อีกแล้วเราตั้งใจงดเว้นแล้วนั่นเว้นศีลของเราเลยเมื่อมีศีลก็ต้องมีสมาธิกายเราก็เบาใจเราก็เบาสบาย นี่แหละให้ตั้งใ้ปฏิบัติได้โอกาสอย่างนี้หาได้ยากกวรจะมาได้ไม่ใช่ธรรมดาเรารู้เลยว่ากวจะมาได้มันยากขนาดไหนเนี่ยลองพิจาราดูว่ามันยากขนาดไหนกว่าเราจะมาได้ทางวัดก็พร้อมอย่างพระมหาไพรวูลถ้าก็ตั้งใจสอน ตั้งใจควบคุมดูแลตลอด ต, ต้องอต้องทนเหมือนกันผู้บาอาจารย์ก็ต้องพร้อมผู้ปฏิบัติก็ต้องพร้อมพร้อมทุกทางก็สามารถที่จะปฏิบัติเพีนไปได้ไม่ถอยหลังไม่ขี้เกียจเพราะว่าตั้งใจฟังธรรมะกิตใ จ, จ, จก็ชุ่มเย็นอืมกิตใ จ, จ, จก็ชุ่มเย็นทําไมมันชุ่มเย็นเอาเพราะว่าเราปฏิบัติเดีปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้ากิตใ จ, จ, จเราก็ชุ่มเย็น ใจเราก็สบายจิตใจเราก็เป็นสุขเห็นความจริงของชีวิตเราย้อนไปดูสิคนอื่นอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีที่จากเราไปแล้วถ้าเราอะไรไปได้บ้างหอบเงินไปได้ไหมหอบัวหอบควายหอบไร่หอบนาหอบที่สวนที่บ้านไปได้ไหมไม่ได <si ้เลย เอาไปไม่ได้สักค น, น, นให้เราพิรณาเข้ามาที่ตัวเราตัวเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ทำบุญไว้ถ้าไม่ทำความดีไว้ตายไปก็ไปตามบาปตามกรรมของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นให้เห็นความจริงของชีว่วาเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้เป็นของที่ไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ เราเห็นอย่างนี้ในใจของเราเราก็จะมีความสงบมีความสุขมีความสบายใจเป็นคนไม่ทอ้อถอยต่อสู้อดทนตั้งแก่ปฏิบัติให้มันได้ตั้งแก่ปฏิบัติทมจิตของเราให้มันสงบให้ได้เราอย่าท้อถอยเราอย่าหมดกำลังใจที่จะทอาความดี น, นี่เทธนิปัสนาที่ปัสสาก็คือธรรมะพระริยเจ้านั่นแหละ ไม่ไปไหนไปไหนมันก็ไม่พ้นจากออความจริงไปได้สักคนออปฏิบัติตามมรรคแปดมรรคมีองค์แปดเอาปฏิบัติในคิดประจำวันของเราเตือเลียสัตว์สเพเาะเป็นธรรมะที่สอนใจเราให้เรานิพจนจากความทุกข์ให้ได้ออกจากราคาตัญหาความเปลี่ยนไปต่างๆให้ได้ ให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจในการปฏิบัติมันจะยากบ้างเหนื่อยบ้างอดทนเอาขอให้ตั้งใจให้ดีตั้งใจปฏิบัติให้ดีอย่าถอยหลังให้พยายามทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้มีความสุขความเจริญตั้งใจปฏิบัติทำให้พ้นจากทุกทุกสัตว์ทุกคนเถิด